171เจ็บอบุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณเลื่อมสในรูปเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปที่สูงรูปที่ผอมรูปที่อ้วน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 เปิดความเลื่อมใสบุคคลนี ök, ran, ้เรียกว่าผู้ถือเสียงเป็นประมาณเลื่อมใสในเสียง172เจบุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณเลื่อมใสในความเศร้าหมองเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นจีวรเศร้าหมองบาเศร้าหมองเสนาสนะเศร้าหมองหรือเห็นทุกขระกิริยาต่างๆถือเอาประมาณในความเศร้าหมองนั้นแล้วเกิดความเลื่อมใส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 แต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยศีล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 และชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อคูณตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อคูณผู้อื่น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 และไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นร้อเจ็บสบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบการทำตนให้เดือดร้อนเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเปลื่ย ไรมารยาทเลียมือเขาเชิญมารับพิษาก็ไม่มาเขาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดไม่รับพิกษาที่เขาแบ่งไว้ก่อนไม่รับพิกษาที่เขาเจาะจงทําไว้ไม่ยินดีกินนิมนต์ไม่รับพิกษาปากหม้อไม่รับพิกษาจากกระเช้าไม่รับพิกษาคร่อมธรณีประตูไม่รับพิกษาคล่อมท่อนไม้ไม่รับพิสชาคร่อมสากไม่รับพิกษาที่คนสองคนบริโภคอยู่ ไม่รับพิสาของหญิงมีคันไม่รับพิสาของหญิงที่กำลังให้ลูกดื่มนมไม่รับพิษาของหญิงที่คลอเคลียบุรุษไม่รับพิสาที่นัดแนะกันทําไว้ไม่รับพิสาในที่ที่รับเลี้ยงสุนัขไม่รับพิสาในที่ที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มน้ำหมักดองเขารับพิษาเฉพาะเรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพด้วยข้าวคำเดียวรับพิษสาที่เรือนสองหลังเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวสองคำและถึงหรือรับพิกษสาที่เรือนเจดหลังเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวเจ็ดคำเยียวยาอัตภาพด้วยพิษสาในถาดน้อยใบเดียวบ้างเยียวยาอัตภาพด้วยพิษสาในถาดน้อยสองใบบ้างเยียวยาอัตภาพด้วยพิษสาในถาดน้อยเจดใบบ้างกินอาหารที่เก็บคลังไว้วันเดียวบ้าง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 อาบน้ำวันละสามครั้งมันประกอบการลงน้ำบ้างเขามันประกอบการทำร่างกายให้เดือดร้อนหลายวิธีดังกล่าวนี้อยู่บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างนี้ร้อเจ็ิบห้าบุคคลผู้ทำคนอื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้ อ, อ, อ, อื่นให้เดือดร้อนเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าแพะฆ่าสุกร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 มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นไ น, นบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ได้รับมูรธาพิเศษหรือว่าเป็นพรามหาศาลเขาให้สร้างสันทาคารใหม่ทางทิศตะวันออกแห่งพระนครแล้วโกนผมและหนวดนุ่งขมหนังสัตว์มีเล็บชลมกายด้วยเนยใสและน้ำมันกาวหลังด้วยเขามารึก เข้าไปสู่สันทาคารใหม่พร้อมด้วยมเหสีและพราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิตเขาสำเร็จการนอนบนพื้นอันปราศจากการปูลาดไว้ด้วยมวลโคโสถพระราชาให้พระชนชีพเป็นไปด้วยน้ำนมที่มีอยู่ในเต้าที่หนึ่งของแม่โคตัวหนึ่งที่มีลูกอ่อนพระมเหสีให้พระชนชีพเป็นไปด้วยน้ำนมที่มีอยู่ในเต้าที่สองพราหมู้เป็นปุโรหิตให้อัตภาพเป็นไปด้วยน้ำนมที่มีอยู่ในเต้าที่สาม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 จงตัดไม้และเกี่ยวหญ้าคาเท่านี้เพื่อบังและลากแม้เหล่าชนที่เป็นทาสเป็นคนรับใช้เป็นคนงานของพระราชานั้นย่อมสะดุ้งต่ออาชญาสะดุ้งต่อภัยมีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้ทำการงานอยู่บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทาผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างนี้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 ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีทรงรู้แจ้งโลกเป็นสตรีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเถวโลกมารโลกโพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพื่อพระองค์เอง และประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางและงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนข้าพเดีบุตรแห่งข้าพดีหรืออนุชนในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดับธรรมนั้นครั้นได้สดับธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในพระตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตรรนักว่า การอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดูดสังเพ่ ข, ข, ขัดแล้วมิใช่ทำได้งง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งข่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดต่อมาเขาละทิ้งกองพภกสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวด นุ่งข่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตร้อยเจสบบุคคลนั้นบวชแล้วอย่างนี้ถึงความเป็นผู้มีศสืขาและสาชีพแห่งภิกษุทั้งหลายละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูหวังประโยชน์เตื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ละเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให คือรับเอาแต่เสิ่งของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่และพฤติกรรมอันเป็นค่าศึกษาพรหมจรรย์คือประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านและเว้นขาดจากการพูดเท็จเคยพูดแต่คําสัตย์ดํารงความสัตย์มีถ้อยคําเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกและเว้นขาดจากคําส่อเสียด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 เป็นคําชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจและเว้นขาดจากคาเพ้อเจ้อเกิดพูดถูกเวลาพูดคําจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคําที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กําหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่การเวลาร้อยเจ็สิบเกษุินั้นเป็นผู้เว้นขาดจากการพร่พืชจากคและภูตคาม ฉันมื้อเดียวไม่ฉันในเวลากลางคืนเว้นขาจากการฉันในเวลาวิการเว้นขาจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นค่าสึกไก่กุศลเว้นข า, า ก, การทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของผอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวเว้นขาจากที่นอนสูงใหญ่เว้นขาจากการรับทองและเงิน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 เธอจะไปณที่ใดใดก็ไปได้ทันทีเหมือนนกวินไปณที่ใดใดก็มีแต่ปีกเป็นภาระเธอประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอริยะนี้แล้วย่อมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในร8อยแปดิอดที่สูนั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุน4ีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรม คืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนสีถึงความสำรวมในจากขุนสีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมกูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธะพะทางกายรู้ธรรมารมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้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 ละถีนมิทะปราศจากถีนมิทะกำหนดแสงสว่างมีส ต, ติสัมปชัญญะชำระจิตให้หมดจดจากถีนมิทะและอุทะจักกุกุจจะเป็นผู้มีฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในชำระจิตให้หมดจดจากอุทจักกุกุ จ, จักและวิจิกิจฉาข้ามพ้นวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้หมดจดจากวิจิกิจฉา ร้อภแปดสิบสาพิสนั้นละนิวร์ห้าประการเหล่านี้ที่ทำให้จิตเศร้าหมองบัณทรกำลังปัญญาสงัดจากกามสงัดจากสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลบรรลุปถมชาญที่มีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไปบรรลุทุติยชาญอันมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผลขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปมีจิตเป็นอุเบกขามีสติและสัมปชัญญะอยู่และสวยสุขทางกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะกล่าวว่ามีจิตเป็นอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัส ด, ดบไปบรรลุเจตุทะฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข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 รู้ชัดซึ่งมูสัตผู้เป็นไปตามกรรมว่ามูสัตที่ประกอบเปืือกายทุจริตวจจีทุจริตและมโนทุจริตติเตียนพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดเขาเหล่านั้นหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกส่วนมูสัตที่ประกอบเปลือกายสุจริตวจจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริย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 บุคคลผู้ยังละราคะไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีราคะบุคคลผู้มีโทสะเป็นไนบุคคลผู้ยังละโทสะไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีโทสะบุคคลผู้มีโมหะเป็นไนบุคคลผู้ยังละโมหะไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีโมหะบุคคลผู้มีมานะเป็นไนบุคคลผู้ยังละมานะไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีมานะร้อยแปดสิบเจดบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ได้สมาบัตมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์แต่ไม่ได้โลกุตระมรึกหรืออโลกุตระผลบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายใน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 บุคคลผู้ได้ความสงบแผงจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ได้สมาบัตมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์ได้โลกุตระมรักหรือโลกุตระผลบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ได้ความสงบแผงจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแ่งจิตภายใน และไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สมาบัตมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์ไม่ได้โล ก, กุตระมกักหรือโล ก, กุตระผลบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งร้อแปดสิบปบุคคลผู้ไปตามกระแสเปน็นไน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 บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื่องตามทั้งห้าประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพานในภพนั้นเมื่อกลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีภาวะตั้งมั่นบุคคลผู้ลอยบาบข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกเป็นฉไฉบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองอยู่บุคคลนี้เรียกว่าผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกร้อยแปสิบเกบุคคลผู้มีสุตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละน้อย แต่เขาหารู้อัดรู้ธรรมแห่งสุตะน้อยนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแต่ธรรมไม่บุคคลผู้มีสุตตน้อยทั้งเมื่อเข้าถึงสุตตะเป็นอย่างนี้บุคคลผู้มีสุตะน้อยแต่เข้าถึงสุตตะเป็นไ น, นบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะเคลยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวตตกะชาตะกะอาภูตรธรรมเวทันละน้อย แต่เขารู้อัตรู้ธรรมแห่งสุตะน้อยนั้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลผู้มีสุตะน้อยแต่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างนี้บุคคลผู้มีสุตตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละมาก แต่เขาหารู้อัดรู้ธรรมแห่งสุตะมากนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแต่ธรรมไม่บุคคลผู้มีสุตตามากแต่ไม่เข้าถึงสุตะเป็นอย่างนี้บุคคลผู้มีสุตะมากทั้งเข้าถึงสุตะเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอาภูตรธรรมเวทันละมาก ทั้งเขาก็รู้อัตรู้ธรรมแห่งสุตตะมากนั้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลผู้มีสุตตะมากทั้งเข้าถึงสุตะเป็นอย่างนี้ร้อยเก้าสิบบุคคลผู้เป็นสมณะไม่หวันไหวเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยษสานประการสิ้นไปเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ํามีความแน่นอนที่จะสําเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสมณะไม่หวั่นไหวบุคคลผู้เป็นสมณะเหมือนดอกบุญทริศเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสมณะเหมือนดอกบุนทริ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 บุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะเจะตุ ก, กะนิเทศจบ